ตอนทวนกระแสโลกจึงเห็นธรรมวันที่20กันยายน 2,558 กราบกาบนึมัสการพระคุณเจ้าสามมณีคุณเมชีกัลยมิตรทุกคนนะก็นั่งสบายสบายเนาะ <c oughs> ก็วันนี้พ่อครูจะแจ้งข่าวนะ เริ่มวันที่30เดือนนี้จนถึงวันที่หจะมีคณะคุณครูนะมาจากกรุงเทพสามร้อยคนมาเข้าค่ายก็ถ้าจะพูดถึงว่าเกินกำลังเราไหมค่อนข้างจะเกินเราไม่เคยจัดแบบนี้นะพวกครูก็แนะนำว่ามาทีละร้อยคนได้ไหม เนื่องจากเงื่อนไขเวลาเขาจำกัดนะวิถีกรุงเทพนี่แข่งขันกันมากก็เขาต้องมาพร้อมกันนะนั่งเครื่องบินมาสองลำแล้วก็พ่อครูก็แจ้งข่าวโดยเฉพาะคุณเมชีแล้วก็ญาติธรรมที่อยู่ในศูนย์ถ้ามีความพร้อมนะก็ให้ไปช่วยกันเข้าครัวนะ มันจะเป็นอาหารเช้าอ่ะมันจะไม่ทันนะก็ไปปรึกษาผระแขกดูว่าจะเอากันกี่โมงนะน่าจะเป็นตีสี่หรืออะไรก็ช่วงห้าวันนะไปช่วยกันหน่อยหนึ่งส่วน ก, กิจกรรมที่เราทำเป็นปกติก็เป็นปกติเรื่องตัดเย็ยบเสื้อผ้าทิ้งไว้ก่อนนะให้มาช่วยกันดูแลงานนี้ถ้าเป็นญาติทำเป็นปกติมาเนี่ยพวกเราไม่ต้องเตรียมอะไรเลยแม้กระทั่งทยายสี่ร้อยคนก็ไม่ต้องเตรียมอะไรเป็นปกติ นะแต่ตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งเราเปลี่ยนพัดลมช่างไฟเข้ามาทำกลางคืนทุกคืนนะพวกเรากลับเขามาทาถึงสว่างมันก็ยังนั่นเพราะไฟที่ศาลาเนี่ยถ้าเปิดพร้อมกันหมดเนี่ยมันกินประมาณห6 0กิโลวัตต์หม้อแปลงเราอยู่ทั้งศูนย์นี่ยร้100กิโลวัตต์ก็แสดงว่ามันดูดเข้ามาครึ่งหนึ่งนะก็ เราก็เตรียมพร้อมเพราะว่ามันจะร้อนขึ้นทุกทุกปีนะเมษานี่ก็คงอยู่กันยากแล้วก็เรื่องระบบน้ําพออาบน้ําพร้อมกัน300รอคนแล้วบวกพวกเราด้วยเนี่ยนะเป็นช่วงแล้วมันช้าไม่ได้เพราะว่าต้องตื่นเช้ามืดต้องมาศาลาปฏิบัติเห็นไหมเราก็กําลังเตรียมระบบน้ําอยู่ใส่เครื่องแรงดัน ความดันสูงอะไรวันนั้นก็เอามาดันสูงปุ๊บน้ำดาไปหมดทีแรกคิดว่าน้ำก่อนจะลงแทงเรากรองอยู่แล้วนะเขาก็เช็คไปมันมันมันมันค้างอยู่ท่อหลายปีพอเราดันแรงๆก็ถือโอกาสล้างท่อด้วยก็ก็กาลังทำตรงสต็อกน้ำเป็นจุดๆนะเราก็กาลังอัดอิ ด, อดบล็อกโค้งเนี่ย นะแล้วก็จะต่อน้ําจากตรงนี้เนี่ยมาอยู่ข้างๆถนนอีก8แทงอันนี้เป็นน้ํากินนะน้ำฝนเป็นน้ํากินที่ผ่านปีที่แล้วก็ไม่พอใช้แล้วละ่ะนะแล้วก็น้ําใช้ก็ไปสร้างแทงใหญ่สองแทงประมาณ เ, าเกือบแสนลิตรสองแทงนะสต๊อกน้ําใช้ไว้เพราะว่าเวลาเราใช้เราใช้ ตอนเย็ น, ตอ น, นตอนเช้าใช้เวลาพร้อมๆกันนะ่ะนะถ้าไม่มีสต๊อกบาดาลที่เราสูบขึ้นมาเนี่ยสองบาดาล น, นี่มันสูบขึ้นมาไม่ทันก็เนื่องจากว่างานนี้ก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแบบนี้นะทีแรกเขาเชิญให้พระครูไปสอนที่โรงเรียนเขาเลยเนี่พระครูไม่ออกไปข้างนอกเขาก็เลยลงทุนนะกล้าหาญมากวันนั้นผู้บริหารก็มาปฏิบัตินะคือ เขาเป็นโรงเรียนตอนนี้โรงเรียนเอกชนที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะสร้างเหมือนดิสนีย์เวิลด์อะไรเลยเนี่ยมีสวาวยน้ํามีสนามเด็กเล่นสวนน้ามีอะไรอะไรหมายถึงว่าค่าไฟฟ้าเขาเดือนหนึ่งสองล้านกว่าเพราะมันเปิดแอร์เขาทุกห้องอ่ะนะในถนนที่เขามีโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเอกชนมี20กว่าโรงเรียนแข่งกันนะเทคโนโลยีแข่งกันทุกอย่างแข่งกัน สุดท้ายเขาก็มาเจอว่ามาอยู่ที่บุคลากรวัตถุเธอไม่มีเขากเราก็หามาให้มันมีเทคโนโลยีไม่มีเราก็หามาเข้าใจไหมแต่ตอนนี้ยุคนี้มันแข่งขันอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่ครูแล้วละ่ะนะถ้าครูไม่ใส่ใจครูไม่มีคุณธรรมแล้วมันก็เครียดกันไปทั้งหมดนะเฉะพาะครูและบุคลากรโรงเรียนนี้มีประมาณ500คนนะ ก็ขนาดก็โตกว่าของเรา10บสิ บ, ส, บสิบเท่าสิบกว่าเท่าอะเนาะนักเรียนหลายพันเจ็ดแปดพันก็พราครูว่าก็ให้โอกาสเขานะก็พ่อคูไม่ออดพังนอกเขาอุตส่าห์มาที่นี่ก็ชุดนี้เรียกว่าแขกก็ได้เพราะว่าครูแต่ละคนไม่เคยมาที่นี่เลยเขาเป็นแขกของเราแต่ที่ผ่านมาหลายปีนี่ไม่มีแขกพ่อคูเลยนะ เราเป็นกรายลมิรมีแต่ญาติทร่มไม่ต้องเตรียมอะไรเนาะแต่อันนี้เมื่อเราเปิดห้องรับแขกแล้วเนี่ยเราไม่รับผิดชอบไม่ได้นะก็ถือว่าทุกคนเป็นเจ้าภาพร่วมกันก็ช่วยกันดูแลนะส่วนเรื่องพัดลมใหญ่เนี่ยก็ต่อไปเนี่ยคนซึ่งไม่มีหน้าที่ไม่ต้องเปิดไม่ต้องปิดนะเพราะกูจะมอบให้คนที่เอ้ยมตัวนั้นเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเนี่ยนะเสียละ มันเกี่ยวกับระบบไฟด้วยแต่ละวันมันไม่เท่ากันไฟแถวนี้มันเป็นไฟปลายสายนะนะไม่ใช่ว่าจะเปิดก็เปิดนะแต่ถ้ามันเปิดได้ไฟฟ้าพอเนี่เราเปิดให้เราเย็นจะได้ปฏิบัติดีๆแต่ตอนนี้เราต้องรู้ก่อนว่าวันนี้เปิดได้ไหมเวลานี้เปิดได้ไหมเพราะกระแสไฟมันไม่เที่ยงนะให้ให้คนที่เขารับผิดชอบตรงนี้เป็นคนเปิดปิดนะระบบน้า เรามีน้ำกินนะน้ำกินเราเนี่ยก็ใช้น้ำฝนนะที่ผ่านมาเกือบร0อยเซนะแต่ถ้าช่วงมันไม่น้ำฝนมันหมดแท้งจริงๆเนี่ยเราก็ใช้น้ำบาดาลมาผ่านเครื่องกรองนะแต่พ่อครูต้องการดูแล้วน้ำบาดาลก็ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงที่บ้านพ่อครูน้ำบาดาลแห้งแล้วนะ ใช้คำว่าหน้ากลัวมากไ ม, ไม่เคยเป็นนะตอนนี้ใต้บาดาลก็ปั่นปวน่วนละพญานาค ก, กิ้วมากเห็นไพอฝนแรงก็เจาะน้ำบาดาลกันใหญ่เลยเลยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะนะรถเจาะกันใหญ่เลยสูบขึ้นมาอย่างกระทันหันในข้างล่างก็เป็นโพงหมดนะแล้วก็โลกมันเอียงตอนเกิดซีนามีนั่น น, ะน้ำบาดาลเปลี่ยนทิศหมดอันนี้ข้างล่างก็ปั่นป่วนหมด เราไปเอาแพรไปสูบน้ำเขื่อนขึ้นมาพอมันแห้งแรงนมั้ยน้ำก็ขูนหมดเราพยายามแก้อยู่นะที่นี่พะกครัวระยะยาวมันแรงแค่ไหนก็ช่างช่วงหน้าฝนมันก็มีฝนอยู่เราต้องเราต้องหาวิธีรองน้ำฝนให้มากที่สุดนะต่อไปโลกเนี่ยพักครพูดมาหลายปีแล้วจะเกิดวิกฤตทั้งเรื่องน้ำจืด เอาว่าศูนี่เรามีน้ำกินนะน้ำใช้ก็น้ำบาดาลมันมันมันมันไม่แน่นอนละก็เลยเอาน้ำเขื่อนมาเสริมน้ำเพาะปลูกก็น้ำเขื่อนนั่นแหละส่วนหนึ่งเป็นน้ำเขื่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดน้ำกินน้ำใช้น้ำเพาะปลูกที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์ทุกคนต้องมีก็คือน้ำใจนะถ้าไอ้สานั้นอุดมสมบูรณ์มากจะไม่มีน้ำใจนะ มันก็ร้อนไปหมดแล้วทะเลาะบวแวงกันแล้วตอนนี้ชาวนาเมืองไทยเนี่ยเราเป็นเมืองเกษตรอุดมสมบูรณ์ตอนนี้ทะเลาะกันแย่งน้ากันแหละเห็นไหมมันเริ่มวิกฤตเลย น, ะ, นะเพียงแต่ว่าศูนย์นี้โอเคเพราะคูเพิ่มพวกเครื่องอำนวยความสะดวกเพิ่มพัดลมเข้ามาแต่ละแต่ละตัวนี่หนึ่งมอเตอร์หนึ่งแรงนะ เพราะกูก็เพิ่มแสงอาทิตย์อีกตอนนี้กำลังกลังเพิ่มแสงอาทิตย์อีกนะแล้วสุดท้ายแล้วนี่เราพยายามจะพึ่งตนเองให้ได้อันนี้ก็ระบบน้ำระบบไฟก็กำลังทำกันอยู่นะก็เมื่อเช้านี้เองคุณย่าแม่อาจารย์อ้อยนะท่านอายุแปดสิีปีละก็เดินไปรายงานพ่อคูบอกมีเรื่องรายงานพ่อครูนะ เขาบอกคืนหนึ่งตอนห้าทุ่มท่านนอนอยู่กึ่งหลับกึ่งตื่นท่านก็ได้ยินเสียงคนมาอาบน้ำอยู่ในห้องนั้นแหละนะท่านก็ตั้งใจฟังเป็นชั่วโมงเลยมันก็อาบอยู่ตรงนั้นแหละเนาะแล้วลุกขึ้นมาไปเปิดประตูดูด้วยนะแล้วก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยเดินไปทำงานอะไรหมด เดินไปโน่นเดินไปนี่ไปที่ไหนก็ได้นะแล้วพอรู้ตัวปุ๊บตัวเองก็นั่งนั่งกรรมาฐานอยู่นะแกบอกว่ามันคืออะไรพราะคูบอกแล้วคุณย่าบอกสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไงแต่ตัวอยากรู้อยากเห็นเราเนี่ไม่ได้ต้องไปพิสูจน์นะแล้วถามว่าคุณย่า ก, กลัวไหมบอกไม่กลัวเลยนั่นแหละจิตเห็นจิต คำว่าจิตเห็นจิตนี่มันมีสองระดับนะจิตเห็นจิตคือเราเหวี่ยงปึ๊บพอเราไล่ลำเราเคลื่อนไหวเนี่ยถามว่าใครเคลื่อนไหวนะไม่ใช่สมองเราไม่ใช่จิตปัจจุบันแน่นอนคือจิตข้างในมันเคลื่อนไหวนะจิตปัจจุบันก็เห็นเห็นจิตมันทำงานอยู่อันนี้มันก็ทำงานอยู่นะ เราเห็นไม่ใช่เราไปตาเนื้อไปเห็นรูปร่างหน้าตาจิตไม่ใช่นะเห็นกระบวนการที่มันเคลื่อนไหวเห็นอารมณ์ต่างๆอันนี้คือระดับเห็นจิตเบื้องต้นนะส่วนที่กายทิพย์มันออกจากร่างเราเนี่ยให้ตัวนี้ก็ตอนนี้จิตเห็นจิตไม่ใช่จิตปัจจุบันไปเห็นจิตอดีตนะตอนนี้จิตเดิมเราเนี่ย มันั่งดูไอ้จิตปัจจุบันที่มันอยู่ในร่างนี้นั่งอยู่ก็อบอกคุณย่าว่าทําไมเขาทําให้เราเห็นไหมเออเขาจะทําให้เราเห็นว่าเราไม่ใช่ร่างนี้นะเรานั่งกรรมฐ า, านเนี่ยมันออกมายืนดูคนนั่งอยู่ตรงนี้จิตเขาจึงรู้ว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ร่างนี้นะเราคือไอ้ตัวจิตตั้งหากนะทีนี้เห็นเราได้ประโยชน์อะไร คุณย่าบอกพูดให้เพื่อนฟังก็บอกว่าผีหลอกนะผีหลอกไม่กลัวเหรอก็บอกแกไม่กลัวเราไม่เกิดมาไม่เคยเห็นผีเลยพอบอกผีเราก็กลัวแล้วโดนผีหลอกนะผีมันหลอกไม่ใช่ผีจริงนะผีในจิตใจเราเองนะ่ยมันเป็นอุปทานไอ้ที่อาบนะ้ําไอ้ที่ไปทํางานโ น, น่นนี่ไม่ใช่ผีที่ไหนเรานั่ยแหละจิตเรานั่นแหละทีนี้เมื่อเราเห็นบ่อยๆจิตปัจจุบันเนี่ย เห็นบ่อยๆสัมผัสบ่อยๆ ม, มันก็เข้าใจเรื่องร่างกายไม่ใช่ของเรานะ mm hmm. เมื่อจิตยอมรับโดยดุสเดีร่างกายก็ไม่ของเราแล้วคุณย่าตอนนี้เก่งมากแกบอกว่าเหมือนมันเตือนสติให้เตรียมความพร้อมวันที่ไอ้ร่างกายนี้มันจะตายจากเรานะ mm hmm. มเราจะไปทุกข์ได้ยังไงเพราะมันไม่ใช่เรา mm hmm. อันนี้คือกระบวนการที่เราฝึกมามันจะเกิด เขบอกว่าเกิดมาไม่เคยเห็นสิ่งแปลกใหม่ๆเห็นไหมเราทําเรื่องเก่าๆเชา้าสายบ่ายเย็นเชา้าสายบ่ายเย็นนะถ้าเป็นถ้าเป็นหนังไทยนะวิชานี้คือวิชาขวัญกับเลียมนะขวัญกับเรียมนะเชา้าสายบ่ายเย็นเรามาเต้นกันเรามาลํากันเรามาทำนี่ทำแต่เรื่องเก่าๆแล้วเราจะเห็นสิ่งใหม่ๆ คุณย่าบอกว่าเกิดมาไม่เคยเห็นสิ่งนี้มันเห็นเพราะอะไรเพราะเราทําสิ่งเก่าๆแต่ตอนนี้ชีวิตเราอยู่ข้างนอกเพราะว่าเราค้าขายเห็นไหมเราต้องการอัปเดตให้มันเปลี่ยนรุ่นใหม่นะต้องรีบสั่งมาขายนะเออเหนื่อยมากไปให้กําไรชีวิตต้องไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่เคยไปต้องไปดูสิ่งใหม่ๆนะแล้วก็มาค้าขายอีกแล้วกเอารุ่นใหม่มาขายอีกเห็นไหม เราไปตามหาสิ่งใหม่ๆเราเลยทําสิ่งเก่าๆญี่ปุ่นก็ของเก่านะอังกฤษก็ของเก่าทุกอย่างของเก่าหมดแต่เรารู้สึกว่าเราเราได้เจอของใหม่เราทําเก่าๆเพราะเหนื่อยปุ๊บก็ไปเที่ยวที่เราไปเอารุ่นใหม่มาขายว่ากูก็ยกตัวอย่างญย่าธรรมวันนี้สมัยพ่อกูเด็กๆอยู่ที่อําเภอเมืองอุบลเนี่ยนะน้ำดื่มเราดื่มจากน้ําที่คนเขา เขาไปตักเป็นปิ๊บๆนะ่ะอยู่ในอยู่ในอยู่ในวัดในบ่อน้ำน่ะสมัยก่อนกินบ่อน้ำตื้นใส่มากแล้วมาเทใส่โอ่งแล้วก็เอากระบวยน่ะซึ่งทำด้วยกระลามม้พะเเห็นไหมก็กินน้ำแต่ทุกวันนี้เรากินน้ำใส่ขวดพลาสติกสมัยใหม่ไงะสะดวกปุ๊บกินเลยนั่นแหละเราคิดว่า มันของใหม่จริงๆแล้วมันไม่ใหม่มันก็เก่าก็คือกินน้ำเหมือนกันเราทำเรื่องเก่าเก่าเกิดมาก็ร้องไห้อีกแก่มาก็ลุกก็โกยนัง่งโอยเจ็บมาก็โอยอีกตายมาก็โอยอีกแล้วก็ยังเกิดอยากมาเกิดอี ก, กทำเรื่องเก่าเก่าเราไปหลงว่ามันทันสมัยโลกนี้มันทันสมัยมันทาเรื่องเก่าเก่าทั้งนั้นแต่ถ้าเรามาทา ปฏิบัติเรื่องเดิมๆจำเจซ้ำซากเช้าสายบ่ายเย็นเช้าสายบ่ายเย็นนะไม่ไปวิ่งตามของใหม่ๆเนี่ยเราจะเจอสิ่งใหม่ๆคุณยา่าแกเจอล้วแกบอกเกิดมาไม่เคยเจอสิ่งนี้แล้วก็เมื่อเช้าวันนี้เช่นเดียวกันมีญาติที่ทำไปลาพราะครูจะกลับบ้านพราะครูว่ากลับไปทําไมอยู่ให้มันมีเรื่องก่อนเขาก็นั่งงงเอ๊ะเราทําอะไรผิดหรือเปล่านะ มีเรื่องไหนบ้างเราไม่เคยผ่านมาแล้วแล้วผ่านมาหมดแล้วเราเป็นมาหมดแล้วเราแกล้งลืมเฉยเฉยมีเรื่องเดียวเท่านั้นที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเป็นก็คือนิพพานนะอยู่ให้มันมีเรื่องก่อนทีนี้นิพพานมันจะเกิดขึ้นมาได้เมื่อมีแต่สแสวงของใหม่ๆเหมือนการปฏิบัติธรรมเหมือนกันที่วันนั้นมีคนถามปะกูไม่ใช่ปะกูพูดนะ หลวงปู่ดุลท่านก็พูดแต่ท่านพูดพ่อ ก, กูก็พูดเหมือนกันมันก็เหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันไอการที่ไปหลายๆสำนักนั่นเรียนรู้หลายๆวิธีนั่นมันเหมือนการเริ่มต้นใหม่นะน้ำครึ่งถังครึ่งถังแต่ก่อนเราจะปักหลักเนี่ยโอเคเราไปลองลองลอ ง, ลองไงเหมือนเราจะเป็นนักกีฬาเราก็ไปลองเตะตะก้อลองเตะฟุตบอลลองอะไ ร, อะไรเออเมื่ออะไรมันถูกฉโลกแล้วนี่ก็ตั้งมั่น ไม่ใช่ทํากุก็เบื่อก็วิ่งหาโน่นวิ่งหา น, น, หานี่โดยเฉพาะไม่เชื่อฟังพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรามีโอกาสเข้ามาในสายพุทธแล้วเนี่ยนะมีโอกาสมาเดินทางแล้วเนี่ยยังวิ่งไปศึกษาวิชีรักษาโรคนวดอะไรล่ะโคซาล้างพิษทุกอย่างมันมีประโยชน์มันมีโทษในตัวมัน มันไม่ใช่ว่าเอาวิธีนี้ใช้กับทุกๆคนได้เพราะาธาตุมันไม่เหมือนกันและเป็นวิชาที่เราไปเรียนกับเขาเขาบอกเรามันไม่ได้เกิดขึ้นจากปัญญาที่เราเกิดขึ้นเองและสามคันว่าเรียนทำไมเพราะอยากรู้ไงอยากอวดว่าเป็นผู้รู้อยากเก่งกว่าคนอื่นอยากจะเรียนของใหม่ๆก็ไปทาเรื่องเก่าๆสนองความอยากนั่นแหละมันมันมันไม่ได้ใหม่มันก็อยากเหมือนเก่า ถ้าเราวิ่งสแสวงหาเราจะไม่มีวันที่จะเข้มแข็งเราไม่พึ่งตนเองเลยเราไม่เชื่อจิตเราเราไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเราพยายามจะหาวิชาใหม่ๆเพื่อจะให้เรายั่งยืนนะไม่เคยพึ่งตนเองเลยแล้วก็ไปรู้ๆไม่จริงก็ไปคาดเดามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปสร้างอุปทานขึ้นมาอันนี้เตือนสตินะอย่างล้างพิษเนี่ยเห็นไมสายที่เขาล้างพิษตน่ตอนนี้เดี้ยงหมด พอมารู้ที่หลังว่าเอ้ยไอ้แม้กระทั่งน้ำมันมะกอกอะไรแล้วมันมีผลข้างเคียงของมันยกตัวอย่างว่าลำไส้เรามันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดชีวิตแล้วอยู่ๆก็ไปทำให้มันสะอาดฉับพลันเลยเนี่ยมันมีผลข้างเคียงนะสมมติว่าหนังมันหามันด้วยเครือบเนี่ยเห็นไหมพอเราออกมาปุ๊บนี่มันสัมผัสไอ้พวกรสชาติที่มันจัดๆแล้วเนี่ยมันมีผลไม่ใช่เรื่องดีนะเอาเป็นว่า มันเหมือนมันเบามันดีแต่มันจะมีผลข้างเคียงเหมือนคุณย่าคุณแม่พ่อคอรูนั่นแหละอายุเกือบเก้าสิบแล้วนะเขาก็ไปจับไปผ่าตัดอะไรแกไม่อยากผ่าก็ไปห่าไปตัดเออมันก็มีผลข้างเคียงแล้วก็เจ็บเจ็บให้หายแล้วไปหาหมอหมอก็บอกว่าเออเออไม่ให้กินข้าวเพราะมันเป็นแป้งเป็นทฤษฎีตายตัวนะเขากินข้าวมาตั้ง90้าสปีแล้วเนี่ย พอไม่ให้กินข้าวพกมันก็เกิดอุปทานร่างกายมันเกิดอุปทานเหมือนคนติดยานั่นแหละอยู่ๆให้มันเลิกยามันลงแดงตายด้วยนะนี่นี่คือวิชาการนั่นแหละอย่าไปเอาความรู้แบบนี้มาใช้กับทุกๆคนาธาตุมันไม่เหมือนกันเน่คือเรารู้ไม่จริงเราไปเรียนแบบเขานะเราไม่ศรัทธากับจิตเราเราไม่พยายามพึ่งตนเองทําให้ตัวเองแข็งแรงนะวิ่งไปหาวิชา นะโดยเฉพาะเรามาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเป้าหมายคือพ้นทุกข์เมื่อใช่ไม่รักษาร่างกายนี้ให้มันยั่งยืนถ้าอยู่ยาวแล้วยังมีความอยากอยู่เนี่ยขาดทุนชีวิตนะพ่อครูบอกว่าตายไวๆดีกว่าอันนี้น่อกจากต้องการอะไรพิเศษกว่าคนอื่นไปเรียนวิชาเพื่อรักษาชีวิตให้มันยาวให้มันยั่งยืนนะ คือทำถูกวิธีมันก็ดีทำผิดวิธีมันก็ไม่ดีไม่มีอะไรที่มันดีเลอเลิศนะฟังพุทธเจ้าพึ่งตนเองให้เยอะที่สุดนะทำให้กายฟิต จ, จิตเฟิรอมอารมณ์ดีชีวิตมีสุขมันก็ไม่เป็นโรคไอที่มันเป็นอยู่แล้วเนี่ยเราก็มาล้างล้างพิษด้วยจิตวิญญาณเห็นไได้กายภาพบำบัดดนตรีบำบัดจิตบาบัดล้างพิษทางอารมณ์สมาธิบาบัดมันอยู่ในนี้หมด แต่ถ้าทำหยอกๆยกหยักๆ ย, ก ย, กยกนะทำไม่จริงจังแล้วเนี่ยมันเป็นน้ำครึ่งถังนะอันนี้ก็ให้ข้อคิดก็เคสคุณย่าคุณแม่อาจารย์อ้อยเมื่อเช้าก็คุยกันโอเคท่านก็เข้าใจข่านบอกอ ม, มันเหมือนเตือนสติเราอย่าประมาทพวกเราชาวศูนย์ไม่ประมาทอยู่แล้วเราเตรียมตัวตายทุกเช้าเลยเห็นไหมนะ ดีก็ตายชั่วก็ตายจนก็ตายรวยก็ตายอยากก็ตายไม่อยากก็ตายกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายตายแน่ๆอยู่ที่ว่าจะ ต, ตายเป็นหรือเปล่าแค่นั้นเองเห็นไหมล้วก็เตรียมไงไม่ใช่ไปแแบบดิ้นลนเพื่อฉันจะไม่อยากตายนั่นแหละยิ่งดิ้นก็ยิ่งรัดให้ดิ้นลนนั่นแหละมันเป็นอาการของคนเครียดคนกลัวนะทาแต่เรื่องเก่า ไปวิ่งตามคนอื่นแล้วเป็นแค่นักเรียนแบบไม่ใช่นักเรียนรู้ไม่ใช่ปัญญาของเราสัหน่อยหนึ่งเห็นไหมคุณย่าเนี่ตลอดชีวิตไม่เคยสืบฝึกนะเพิ่งมีโอกาสตอนนี้เองน่ะเห็นไหมเห็นตัวเองถอดกายทิพย์แล้วเห็นไหมบอกว่าใครอาบน้ํามไม่ใช่ผีที่ไหนผีมันหลอกไม่ใช่ผีจริงเหมือนบางคนนอนหลับอยู่ คืนนั้นผีมันมาบอกว่าเอาสมุนไพรตัวนี้ผสมกับตัวนี้ไปรักษาโรคนั้นแล้วมันกินมันหายจริงๆเลบอกยาผีบอกไม่มีพี่ไหนมันผีมันที่ไหนมันมาบอกเรานะคือจิตเดิมเราจิตเดิมเราเขาผ่านตรงนี้มาหมดแล้วแต่พ่อครูเตือนว่าสัต่ว่ารู้สัต่ว่าเห็นมันจะเกิดขึ้นกับพวกเราเมื่อไหร่เราไม่รู้หรอกช่วงที่เรากาลังเปิดจิตอยู่ เพราะจิตเดิมเรามันฝึกมาเยอะมากมันจะแสดงออกมานะให้จิตปัจจุบันเนี่ยเรียนรู้แล้วก็รู้เท่าทันนะไม่ใช่ไปหลงมันนะก็เมื่อกี้บอกพูดเหลื่อมกันว่าเออมาลากลับบ้านเนาะพราะกูอบอกอย่าเพิ่งกลับอยู่ให้มันมีเรื่องก่อนนะ เรื่องที่หมายถึงนะ่มีเรื่องเดียวเท่านั้นที่เราไม่เคยเจอไม่เคยพบเ ป, เป็นเรื่องใหม่ใหมใหม่บริสุทธิ์นะแล้วก็ไม่ใช่ชีวิตนี้เจอครั้งเดียวนะชีวิตในวัตะสงสารมีครั้งเดียวนะพระพุทธเจ้าเคยพูดว่าอย่างนี้เนื่องจากว่าอาหารมื้อสุดท้ายของพระองค์นะ่ น า, นายอะไรล่ะฮะนายจุนทะใช่ัหมนั่นแหละพระองค์ฉันแล้วพระองค์ก็ปรินิพานก่อนจะปริณิพนพระองค์กลัวว่านายจุนทะจะคิดมากนะก็สั่งพระอนุนบอกเป็นบอกนายจุนทะนะในชีวิตพระองค์เนี่ย อาหารมือสำคัญที่สุดของพระองค์มีสองมือเห็ไหมไอหาอาหารกินมาทั้งหมดตลอดชีวิตนั้นมันเรื่องเก่าๆเรื่องใหม่ๆเรื่องกินอาหารเนี่ยมีสองมือที่สำคัญนะมือแรกคือข้าวมัทุปายาตนะโดยนางสุชาดาเนี่ย ถวายพระ อ, องค์อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรถ้วยทองคําพระ อ, องค์ก่อนจะฉันพระ อ, องค์ก็ระลึกว่าพระ อ, องค์เห็นนะคือพระละหันเจ้าทั้งหลายก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนจะบรรลุธรรมแล้วเนี่ยคือต้องฉันอาหาร ถือว่ามื้อสุดท้ายของความเป็นมนุษย์ก็แล้วกันนะก็พระองค์ก็ขอนางสุชาดาว่าขอถ้วยทองคานี้ได้ไหมนางบอกว่ายินดีนะพระองค์ก็ฉันเสร็จแล้วก็เดินไปริมน้ำนะตั้งสัจจะว่าถ้าพระองค์ใกล้จะบรรลุธรรมได้จริงเนี่ยขอให้ถ้วยทองคานี้ทวนกระแสน้า หรือจมลงน้ำอย่าให้ไหลไปตามน้ำเห็นก็วางลงไปก็ทวนกระแสน้ำแล้วก็จมลงไปทีนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เขาก็ฉายเห็นว่าพอจมลงไปในใต้ท้องน้ำนะตรงนั้นนะ่ะชามทองคำอะไรเเต็มไปหมดเลยนะเหมือนเขาพัศสูเมนนั่นละมันมีหลายหลยดวงจิตเขาทำมาอย่างนั้นมาแล้ว นั่นแหะคือเป็นอาหารมื้อที่สําคัญมื้อแรกไอ้ที่กินมาตั้งแต่เด็กนี่เป็นเรื่องเก่าเก่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเลยเห็นไหมเหมือนหนอนผีเสื้อเปลี่ยนเป็นผีเสื้อปุ๊บจากสัตว์เลื้อยคานกลายเป็นบิดได้เลยอันนี้เป็นครั้งใหญ่ในชีวิตเป็นของใหม่ที่สุดไม่ใช่ชาติเดียวด้วยนะจากหลายๆชาติมาเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถ้ากินอย่างนี้ต้องกินแต่ถ้ากินอร่อยอร่อยไกลแค่ไหนฉันก็ไป แพงแค่ไหนก็ไปกินอันนั้นไปกินของเก่าๆทำเรื่องเก่าๆถึงจะรสชาติอาหารเออเกิดมาไม่คินงอาหารญี่ปุ่นเลยเขาบอกอร่อยก็ไปกินของใหม่ๆนะในความรู้สึกเราเป็นของใหม่ๆแต่เป็นเรื่องเก่าๆมันก็สนองความอยากกินอร่อยของเรานั่นแหละไม่ไม่มีอะไรใหม่เราทำเรื่องเก่าๆมาตลอดเห็นไหมอาหารมื้อแรกของพระองค์นั้นนะ ข้าวมธุปาญาตนั้นเขาถึงทำพิธีอย่างนี้ไงคือคือเราลึกถึงพระ อ, องค์นะทีนี้ไอ้ถ้วยทองคำที่ลอยทวนกระแสนั้นในยะคือแสดงธรรมว่าถ้าเราไม่กล้าทวนกระแสโลกไม่มีทางบรรลุธรรมพวก์เรากำลังทวนกระแสบางคนถูกด่าด้วยพวกสิ้นไร้ไม้ตอกอะ พวกหมดอะไรตายยากพวกไม่มีทางไปพวกหมดหวังในชีวิตถึงจะมาทําแบบนี้ถ้าเราไม่ตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่กล้าทวนกระแสนั่นแหละคือไวยะคืออย่างนั้นเราต้องดํารงชีวิตแบบทวนกระแสเรื่องเก่าๆหาเงินแล้วก็ไปกินแล้วก็ไปเที่ยวนะเออโดยบอกว่าได้กําไรชีวิตกําไรกิเลสทั้งนั้นถึงจะไปเที่ยวที่ใหม่ โอ้ฝรั่งเศสไม่เคยไปไปฝรั่งเศสจะได้เจอของใหม่ๆแต่ไปทำสิ่งเก่าๆก็สนองความอยากเหมือนเก่ามีมีมีบางคนนะมาที่นี่มาแค่สามสี่วันแล้วออกไปปุ๊บคอมเพนมาเลยตำหนิมาเลยว่านานาจิตตังของพระกูระวังนะนะไปปลุกอารมณ์เซ็ก เดี๋ยวศูนย์นี่มั่วกันไปหมดเขาไม่รู้ว่าบางคนมาเต้นไปเต้นมาบวชชีแล้วเนี่ยศูนย์นี้ไม่ดีไม่แยกชายหญิงศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้ได้ยังไงที่นี่ไม่ใช่เป็นแค่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่นี่คือศูนย์พลานก่อยมีศูนย์จิตใจศูนย์สมองศูนย์ปากทองเราปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปแกล้งขังเจริญสมาธิเจริญสตินะ แล้วปฏิปธรรมคือการเจริญมรรคอันนี้เป็นวิถีคุณจะไปแยกชายแยกหญิงแยกผัวแยกเมียเขาเหรอผู้คองเรือนก็อยู่อย่างผู้คองเรือนพระภิกษุก็อยู่อย่างพระชีก็อยู่อย่างชีถ้ามีสํานึกย่าไปยุ่งเกี่ยวกันแดนใครแดนมันแล้วก็แยกโดยธรรมชาติอยู่ไงอันนี้มาเห็นแค่สามสี่วันก็ไปเอากันใหญ่เลยนะเราไม่เห็นว่าคนเต้นต้นเต้นไปเต้นมาเนี่ย เขาไปมั่วไหมเขามาโกนหัวบวชชีบวชเนนบวชพระไงแล้วไม่เห็นความก้าวหน้าขเขาเต้นทําไมนี่แหละไม่ชอบวิจัยมีแต่วิจารณ์แล้วก็ตัดสินถ้าให้เกลียดกันหน่อยหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องศรัทธานะถามมาที่เต้นทําไมมีอะไรจริงๆแล้วลองเองดีกว่าไม่อยากรองแล้วก็ไปวิจาร์แล้วก็ไม่ปรึกษาไง เออถ้าถาถามพระครูพกอครูก็แลกเปลี่ยนใช่ไหมอันนี้ไม่ถามเลยนะวิจารณ์ปุ๊บตัดสินเลยคนยุคนี้แรงมากแล้วก็มีคนถามพระครูเหมือนกันล่ะพระครูตั้งแต่ออกไปข้างนอกหปีนะ อ, อ่านหนังสือสามชั่วโมงบรรลุธรรมเนี่ยนะมีทั้งดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐอะไรอะไรเนี่ยบางคนด่าพระครูเสียเสียหายหายไม่เห็นพระครู ไปตอบตตวอะไรเลยเนี่ยมันมีคำพูดของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะพระครูทำแบบนี้ปล่อยให้ไปตามพรมลิขิตเหรอไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างพรมลิขิตมันเป็นกรรมลิขิตแล้วพระครูอยู่เฉยๆทำไมและจะให้ยังไงไปทะเลาะกันทำไมล่ะคนเขาบวนน้ำลายขึ้นฟ้าเนี่ย เขาทำให้ฟ้าต่าไม่ได้ฟ้าเมื่ยังสูงเหมือนเก่าเมฆหมอกลอยไปลอยมาฟ้าย่อมเป็นฟ้าปฏิบัติธรรมก็ต้องทำให้มันได้สิไม่ใช่ข้อแย่หน่อยหนึ่งโอ้ลุกเป็นไฟเลยแล้วคุณจะปฏิบัติธรรมทำไมนะเพราะคุณไม่ต้องปฏิบัตินะไม่ต้องก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องไปสร้างกรรมไงแต่ว่าเนื่องจากคนห่วงใยมีไงรักสถาบันเห็นไหม เหมือนภาพยนตร์พระพุทธเจ้ามันสอนอะไรเยอะนะพระโมคคัลลานะกับพระรูปหนึ่งเนี่ยพระกูจำชื่อไม่ได้ละตั้งแต่เด็กๆ ก, ก็ได้ยินแต่โมคคัลลานะเดินไปบินธบาตเศธีก็ด่าพวกขอทานไอ้พวกหลอกลวงท่านก็นิ่งไงพอนิ่งปุ๊บด่าไปถึงพระพุทธเจ้าอีกตอนนี้นิ่งไม่ได้แล้วด่าครูบาอาจารย์เห็นไหมก็เลยหาอให้ดูเลย ถึงยอดไม้ปามเศรษฐีเขาถึงศรัทธาแต่กลับไปสำนักผู้เจ้าบอกอย่ากระทําอุบายอะไรที่มันมินเมต่อการเข้าใจผิดไม่ใช่ทางพ้นทุกขเนี่ยอย่าได้กระทาเห็นไหมนี่นะตัวเองถูกด่าทนได้ไงด่าครูบาอาจารย์พวกครูก็ทำไมทำไมพวกครูทำไมทำไมต้องทำใหม่ก็ไม่ต้องทำอะไรไง นะจะไปทําะไรล่ะก็ไม่ต้องทําอะไรนะเขาจะไปทําให้ฟ้าต่ําได้ยังไงถ้าเราเป็นฟ้าจริงๆเนาะเนี่ยเมฆหมอกมันลอยไปลอยมามันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะ่ยนะแต่ฟ้าย่อมเป็นฟ้าจะไปตื่นเต้นกันกบเมฆหมอกทําไมหรือดูกรรมันก็เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยของมันทำไมคนมันก็คิดไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันคนนี้เขาชอบสร้างกรรม ก, ก็สร้างกรรมสิแล้วไปเปลี่ยนชีวิตเขาได้อย่างไร นะไม่ต้องไปแช่งชักเขาด้วยนะต้องถ้าคนมีความรู้สึกต้องเอาหสิกรรมเขาแต่ดีที่สุดไม่ต้องมีความรู้สึกเลยนะความเกลียดชังเนี่ยมันแก้ด้วยความเกลียดชังไม่ได้มันต้องแก้ด้วยความเมตานะความเก่ง อาจจะชนะสงครามได้แต่ชนะความชั่วไม่ได้ความดีเท่านั้นถึงจะชนะความชั่วไม่ใช่รู้แล้วก็ทำไม่ได้นะรู้แล้วก็ต้องไปทำนะถ้ามันรู้จริงจริงมันไม่เผลอที่จะไปทำอะไรหรอกนะทีนี้ไอ้ภาษาพังเพยลวงนี่มันเป็นตัวเตือนสติเฉยเฉเราต้องทำให้มันได้ ที่เขาบอกว่าความรุนแรงแก้ไม่ได้ด้วยความรุนแรงความรักความเมตตาจึงจะแก้ความรุนแรงได้นี่แหละเมตตาคำจุนโลกเขาตกมือข้างเดียวเนี่ยมันไม่ดังหรอกที่มันดังเพราะว่าเราทนไม่ได้แล้วก็ไปตบกับเขาตกกันไปตกกันมาทุกคนหน้าเขียวหมดฟันล่วงหมดนะแล้วมีใครได้ดีบ้างล่ะนะก็ หลายปีมาเนี่ยพรอครูก็ได้ยินพ่อครูไม่ไม่มีอะไรมีแต่เตือนทุกคนนิ่งมานไม่มีบารมีไม่เกิดนะที่เขาแย่เราเนี่ยต้องขอบคุณเขาด้วยนะถ้าเราเกิดมีอารมณ์นะเาเอาดอกไม้ทูบเทียนไปกราบเขาเสียสวยนะขอบคุณนะที่เขาทำให้เราเห็นอารมณ์เราแต่เมื่อเห็นแล้วเนี่ยจงสำนึกนะกจัดตัวนั้นเสียอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นอีก นะนี่คือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่มันเป็นทางทางเดียวที่เราจะพ้นทุกทุกวันนี้พ่อครูบอกว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นในอุดมการณ์แต่ยืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรมบางคนก็ถามพระครูนักวิชาการมาสัมภาษณ์เลยพ่อครูทําไมกล้าเสียสละขนาดนี้หลายปีหยุดหาเงินแล้วไอ้เงินที่มีอยู่ก็เวียงทิ้งเวียงทิ้งเวียงทิ้ง ไม่กลัวเหรือกลัวอะไรก็บอกกลัวมันจะหมดแล้วคุณจะเก็บไว้ทําไมพ่อครูทําไมกล้าเสียสละอย่างนี้พ่อครูพ่อครูไม่โง่ที่จะเสียสละนะพราะครูมีปัญญานะถึงจะมาอยู่ที่นี่พ่อครูมาทําในสิ่งที่ควรทําต่างหากใครบ้าจะไปเสียสละชีวิตมันทําเล่นได้เหรอเราทําในสิ่งที่เราไม่ได้ยึดบ้านถือมันไม่ใช่อุดมการณ์ แต่เรายืนหยัดกับความถูกต้องชอบธรรมไม่ใช่อุดมการยุคนี้เนี่ยผู้รู้ต่างๆเนี่ยแค่ไปอ่านพระไตรปิฎก <c oughs> จบแค่ป ร, ริยนก้าเป็นแค่ด็อกเตอร์ทางศาสนาจะไปแสดงธรรมคุณอะไรไปแสดงคุณไม่เห็นธรรม คุณแค่ไปท่องจำความรู้เรื่องวิชาการทางพุทธศาสนาเท่านั้นเองทำมากมาถึงเลอะเลือนไงเนี่ยแล้วก็ไปหลงตัวรู้แล้วก็ผูกขาดเพราะครูก็เขียนว่าการผูกขาดทางความคิดความเชื่อทางาศาสนาทำให้เกิดความหลงกลายเป็นอัตตาไม่อยากพูดเลยแต่ว่ามันเป็น มันเกิดขึ้นตอนนี้ทุกวันนี้เราทุกพ่ออย่างนี้ไง พ, พ่อครูเออย์ พ, พ่อครูเออยเรื่องด็อกเตอร์บ่อยๆไม่มีเจตนา พ, พ่อครูไม่โง่ที่จะไปสร้างกรรมใหม่นะกรรมชี้เจตนาเนี่ยแต่บังเอิญว่าให้ไม่พูดไม่พูดคําว่าด็อกเตอร์พูดว่าอะไรล่ะเพราะด็อกเตอร์คือมาตรวัดความรู้สูงสุดไงปริญญาเอกไงแต่ พ, พ่อครูไม่ได้พูดถึงเจาะจงว่าคนเป็นด็อกเตอร์คนเป็นด็อกเตอร์ดีก็เยอะแยะชั่วก็มากมาย เอาเปรียบคนอื่นสร้างอาวุธนิวเคลียร์นะแล้วเรียกว่านิวเคลียร์เพื่อสันติอยู่กับฉันสันติอยู่กับเธอไม่สันติฉันจะฆ่าเธอนี่เนี่ยจบสูงสุดแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องไงพบไปหลงตัวรู้แล้วไปยึดมั่นหรือมั่นในอุดมการคืออะไรอุดมการเขาคืออะไรเขาต้องเป็นผู้ชนะเท่านั้นแล้วก็อ้างเหตุผลต่างๆ เพื่อเข้าข้างตัวเองมันถึงคุยกันไม่รู้เรื่องไงพูดเรื่องเก่าๆขนาดพูดปุ๊บก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างต้องฟังเรื่องเก่าๆบ่อยๆแล้วเราจะเราจะเห็นสิ่งใหม่ๆฟังวันนี้แค่นี้ฟังพรุ่งนี้แค่นี้เราเคยสังเกตไหมก็เรียนแทบตายแล้วเรียนจบด็อกเตอร์ทางภาษาปริญญาเอกออกมาคุยไม่รู้ภาษา ถ้าคุณเรียนภาษามาทําไมภาษาเขาเรียนมาเพื่อคุยกันให้ไม่รู้เรื่องนะเพื่อพูดให้มันเข้าใจางไงอันนี้คุณเอาภาษามาทะเลาะ ก, กันไม่รู้เรื่องแล้วคุณจะเรียนภาษามาทําไมองค์ความรู้ตอนนี้เป็นอย่างนี้มันยิ่งเรียนก็ยิ่งเกิดอัตราขึ้นนะอันนี้ก็มีคําถามเพราะกูอธิบายให้ฟังนะเออ ทำให้พ่อครูทำอย่างนี้ทำให้ทำอย่างนี้ไม่ตรงกับอย่างนั้นไม่ตรงกับศาสตร์นี้ความแตกต่างเนี่ยไม่ได้แปลว่าความผิดมันไม่ได้แปลว่าความชั่วไยมันแปลว่าแตกต่างอันนี้คุณไปคิดเอาเองว่าถ้าแตกต่างกับสิ่งที่คุณเชื่อนั้นมันไม่ใช่ต้องตกนรกเห็นไม อย่างนี้เราต้องสอนให้ทุกคนเนี่ยสอนให้ฝรั่งมาเป็นคนไทยนะสอนให้คนจีนมาเป็นคนไทยต้องเป็นเหมือนเราสิเกิดมามันก็ไม่เหมือนกันแล้วความแตกต่างมันไม่ใช่ความผิดแต่ทีนี้เรายึดมั่นถือมั่นว่ามันผิดมันถึงแตกแยกความแตกต่างทางความเชื่อทางความคิดมันไม่ได้แปลว่ามันผิด แต่อัตตาตัวตนเราเนี่ยมันไม่ยอมก็ไปกล่าวโทษของเขาแล้วก็ไปตัดสินเขาอย่างนี้นะแ ม, แม้กระทั่งบางคนพูดขนาดนี้นะว่าแนวทางพระครูนั่นเป็นพุทพูดนอกลีดแล้วพูดในพูดในลีตมันเป็นยังไงพูดในลีดเที่ยวด่าคนอย่างงี้หรือพูดในลีดไม่รู้อะไรมาพูดนะนี่แหละพูดรู้ ผู้รู้มากผู้อวดรู้แต่ไม่ใช่ผู้รู้จริงทําให้ทบาธรสังคมทะเลาะเบาแวงกันเลยคุณชํานาญอย่างใดคุณก็ทาไปส่เห็นไหมคุณมีอะไรดีคุณก็ส่งเสริมมวลมนุษยชาติไม่ใช่ทุกคนต้องไปทําเหมือนคุณเห็นแต่ตอนนี้เราเรียนวิชาการมาต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบอื่นไม่ได้ไงใครแตกต่าง ก, กับตัวเองเนี่ยตัดสินหมด นะกลายเป็นคนชั่วหมดแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยเขาติดตามว่าเห็นพ่อครูทำดีนะพ่อครูทำดีก็ช่างแต่ก็ต้องตกนรกไงเพราะแตกต่างจากเขาไม่รู้อะไรมาวัดนพ่อพครูก็เอาเป็นว่างงเฉยแต่งงแล้วก็จบแต่เห็นอารมณ์คนทุกวันนี้พ่อครูจะไม่ตอบโต้ แล้วก็ถ้าเขาสงสัยเขาถามพา่อครูเนี่ยพ่อครูยินดีแลกเปลี่ยนไงเขาไม่ถามเลยไงเขาวิจารณ์ปั๊บปัป๊บปาก็ตัดสินเลยไงถึงจะทําดีก็ช่างก็ตกนรกอย่างนี้เราอย่าทําดีนะตกนรกนะก็ะทุกคนต้องอยู่กับสังคมให้ได้นะแต่ต้องต้องยืนหยัด ในสิ่งที่เราดำเนินมันไม่ใช่อุดมการณ์นะไม่ใช่ยึดมัน่นมันนมันไม่ใช่อุดมการณ์มันคือความจริงใครยกคนนั้นก็หนักใครวางคนนั้นก็เบาติดอะไรก็ไม่ได้แม้กระทั่ง ต, ติดรูปแบบอุบายวิธีต่างๆมันเป็นอุบายมันเป็นเทคนิคมันเป็นแค่อุบายเป็นแค่เทคนิคเพื่อให้เราเข้าถึงเป้าหมาย อย่าไปหลงติดอุบายนั้นจนลืมเป้าหมายเราเรียนรู้ศาสนาเนี่ยก็มีอีกคำถามหนึ่งนะมีเวลาอยู่นิดหนึ่งนะวันนั้นมีใครถามพวกคูเมื่อกี้มันแว บ, บขึ้นมาไอ้คำว่าพระธรรมนี่จริงๆมันคืออะไรพระธรรมนี่คืออะไรถ้าเราไปตอบว่ามัน พระธรรมมันไม่ใช่วัตถุไม่ใช่รูปประรรมว่ามันมีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรเนาะมันไม่ใช่อย่างนั้นทีนี้ที่เราสวดมนต์ทุกคืนเน่ะนะเริ่มจากพระธรรมคือสิ่งที่ผู้เจ้าตรัสให้เราฟัง และสิ่งที่พู้เยาตัดให้เราฟังนั้นคืออะไรนะคำสอนพระยุทธเจ้าบอกให้เราทําอะไรพระองค์บอกว่าเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนเป็นสิ่งที่รู้แล้วก็ปฏิบัติต้องมาปฏิบัติไม่ใช่ไปท่องจําที่พระองค์พูดทั้งหมดบางทีพระองค์ใส่แสดงเรื่องอ ธรรมะของผู้ขรองเรือนธรรมะของเด็กๆอะไรๆก็เป็นธรรมะปีกย่อยแต่ไม่ใช่ไปต้องรู้เรื่องนั้นทั้งหมดนะจริงๆแล้วนี่พระธรรมตอบไม่ง่ายคือสิ่งที่ถูกเห็นพระธรรมนี่มีอยู่คู่โลกคู่จักรยานคู่คจักรวาลเนี่ยไม่ใช่คู่จักรยานเนาะขอโทษเปลี่ยนคำพูดใหม่นะมีอยู่แล้วแต่ผู้เจ้าไปตัดสรุ้มาคือสิ่งที่ถูกเห็นเห็นล่ะ พระ อ, องค์ที่เป่งออกมาเนี่ยเป่งจากที่พระ อ, องค์ไปสัมผัสของจริงนะทีนี้ของจริงนั้นน่ะมันเป็นปัจจดตังไงรู้ได้เฉพาะตนจะไปพูดให้มันลายละเอียดว่าที่ไปเห็นมันมีนมกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรมันพูดไม่ได้แต่พระ อ, องค์บอกหลักการเราและบอกวิธีที่จะเข้าไปเห็นตรงนั้นไม่ใช่ให้มาท่องจำคำพูด ตัวงหมนี้ไม่มีจุดขายเว่าเราขายสินค้าไม่มีอะไรขายก็เอาคําพูดผู้ยิ่งเจ้ามาเป็นสินค้านะแล้วบอกว่าทุกคนต้องไปท่องให้มันรู้หมดเลยนะก็รู้จนจบเป็นด็อกเตอร์แล้วไงอ่านจ็จะธรรมจดจบแล้วไงจบประเดี๋ยงเก้าแล้วทำไมมันยังทะเลาะกันอยู่มาเถียงกันนิพผานเป็นอัตตาหน้า ต, ตาอยู่ตรงนั้นอยู่มันสับสนวุ่นวายไปหมดนะก็ทุกคนก็อ้างผู้ยิ่งเจ้าอ้างผู้ยิ่งเจ้าทำไมไม่ทําตามผู้ยิ่งเจ้าล่ะ ไม่ใช่มีหน้าที่ไปท่องจําสิ่งที่พู้เจ้าพูดเฉยๆพอผู้เจ้าเป่งออกมานะพราะครูยังไม่สรุปตอนที่พระ อ, องค์เป่งนี่เป็นภาษาบาลีหรือสันสกิตหรืออินเดียโบราณไม่มีใครรู้จริงหรอกแต่เวลาบันทึกมันบันทึกเป็นบาลีนั่นแหละเอาแล้วบาลีมาแปลเป็นไทยตอนนี้จบภาษาไทยปริยาเอกออกมาคุยกันไม่รู้เรื่องอีกแล้วคุณเข้าใจว่าคุณจะแปลถูกไหม ผู้เจ้าที่บอกว่าอย่าพึ่งเชื่อตำราเห็นไหมพระองค์บอกไว้หมดเลยทําไมอ้างผู้เจ้าทําไมเชื่อตำรามากมายละ่ะทุกคนต้องเนี่ยนะนี่เพราวันที่ผู้เจ้าจะจากไปบอกว่าต่อไปเนี่ยพระนพนถามว่าเมื่อผู้เจ้าไม่อยู่เนี่ยพวกเราจะยึดอะไรนะผู้เจ้าก็บอกยึดพระธรรมสําคัญว่าเรารู้เปล่าพระธรรมคืออะไรนะ พระทาไม่ใช่แค่คำสั่งสอนพุทธเจ้านะเพราะคำสั่งสอนที่เป็่งออกมาเป็นภาษาแล้วเนี่ยมันไม่ละเอียดพอพูดปุ๊บทุกคนเข้าใจเหมือนกันหมดเห็นหมมันถึงจบสูงสุดแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องไงพู้เจ้าถึงบอกอย่าพิ่งเชื่อตําลาแต่พระ อ, องค์ใช้ภาษามาบอกเราว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนั่นแหละธรรมอยู่ตรงนั้นน่ะต้องเข้าไปเห็นเองมันพูดไม่ได้ มันเป็นปัจจตังไงมันเป็นสันทิติโกไงเอหิปสิโโปุโกโอปนาติโก้นะี่สวดมนต์ทุกคืนทุกคืนนั่นแหละพระธรรมเหรเห็นไหมแต่ตอนนี้กลายเปนว่าพระธรรมกลายเป็นพระไตรปิดกไปแล้วธรรมะไม่มีธรรมะไม่มีธรรม ะ, มมรรมะนั่นแหละคือธรรมะปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะ แล้วจะมีธรรมะได้อย่างไรที่มันไม่มีธรรมะเพราะมันมีตัวมีตนมีรูปแบบชัดเจนมีถูกมีผิดมีดีมีชั่วมันจึงไม่ใช่ธรรมะธรรมะที่แท้จริงไม่มีภาษาด้วยแต่ตอนนี้คำที่พระเจ้าเปกออกมาก็กลายเป็นรูปภาษาไม่ได้ผิดนะพระไตเปโตกมีประโยชน์เหมือนแผนที่เหมือนลายแตงแต่อย่าไปเข้าใจว่าคือธรรมะนะ พระไตรปิฎกเล่มจริงๆเลยออริจินัลเนี่ยไม่ต้องแปลบาลีเป็นไทยแล้วมานั่งทะเลาะกันนะเปิดออกมาไม่มีตัวหนังสือเลยนั่นแหละของแท้แต่ที่นี้ตัวหนังสือตรงนี้ไม่ใช่ผิดเป็นหนังสือชุดหนึ่งที่พูดถึงเรื่องธรรมะพูดถึงเรื่องพุทธประวัติไอตัวหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ธรรมะเพราะธรรมะไม่มีธรรมะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไง ทีนี่พอเราอ่านเยอะๆเราก็ไปสับสนไปติดความรู้แล้วก็เอาความรู้ที่ตัวเองไปท่องจำมาเนี่ยไปจับผิดคนอื่นไปกำหนดโทษคนอื่นโดยไม่ดูเจตนาเขากรรชี้เจตนามันอยู่ที่ว่าเรามีเจตนาอย่างไรนะอันนี้เขาเห็นว่าเจตนาพ่อ ก, กูทำดีนะเคยเห็นเจตนาพ่อ ก, กูทาดีจริงๆแล้วไม่มีเจตนาด้วยนะ เอาละมองในตาเ น, นื้อเจตนาเพราะเจตนาก็ททำดียังบอกว่ายังตกนรกอยู่ไงเนี่ยผู้รู้ต่างๆมีอัตตาตัวตนนะนะแล้วมองกลับไปรู้ว่าผู้รู้เนี่ยทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างที่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้ทานเนี่ยท่านได้ให้ทานหรือยังาละสมมติว่าเห็นเขาผิดเนี่ยอภัยทานท่านยังให้ไม่ได้เลยง และแค่นี้อ น, นี่เรียกว่าพุทธในรีดเหรอท่านทานหรื อ, อยังท่านมีศีลไหมไอคนที่ไปเที่ยวด่าคนอื่นอะไรอะไรเนี่ยนะไปกาหมดโทษเขานี่มันมันมั น, มนเป็นวัชีกรรมอ่ะนะเพราะครูดูแล้วว่าลุกยางลุกนี้เนี่ยความรู้แบบเหตุผลแบบตรร ก, กะนี่อันตรายมากนะเดี๋ยวมีคำถามหนึ่งเดี๋ยวเที่ยวหน้า นะบอกพูดเรื่องนรกให้ฟังหน่อยหนึ่งจริงๆแล้วสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ในจิตนี่แหละอยากไปนรกนี่ก็ทําตัวเองทุกข์เยอะๆนั่นแหละนรกนะอยากไปสวรรค์ทําเองสุขเยอะๆนั่นแหละอยากไปนิพพานทําให้ตัวเองไม่รู้สึกไม่รสึกสุขหรือู้สึกทุกข์เลยนั่นแหละไม่กังวลอะไรเลยมันอยู่ในนี้เป็นอย่างนี้มันออกไ ป, ไปล่างเราพอมันตายมันก็เป็นอย่างนั้น แต่นี่ที่เขาอยากรู้ว่าเออท่าในแง่วิชาการเนี่ยเขาแบ่งนรกเนี่ยเป็นกี่ชั้นกี่ขุมแต่และขุมเนี่ยมันทํากรรมอะไรบ้างพเพราะคูว่าอย่ารู้โดยดีไหมถ้ารู้เราจะหนาวนะมันน่ากลัวมากแล้วที่นี้เขาจัดเวลานารกเนี่ยนะเขาไม่เรียกว่ากี่ปีนะตรงนรกกี่ปีนะมันเป็นอสงไขยเลย ในนรลกหนึ่งวันของนาลกเนี่ยที่เขาบอกตกนาลกสี่พันปีของนาลกเนี่ยนะพันปีของนาลกเนี่ยหนึ่งวันของเราเนี่ยเขาเทียบกับชีวิตเราเนี่ยพ่อครูบอกอะไรพ่อครูจำได้เป็นหมื่นล้านปีเอาไหมเห็นไหมไม่ต้องไปด่าเปรตหรอกไม่ต้องด่า เป็ดอสูรละกายว่าขออย่าให้มีวันผุดวันเกิดนะมันเกิดอีกแต่มันยาวหน่อยจนลืมแหละอยากไปไหมอยากไปรู้นรกไปทําไมอยากจะไปทัวร์เหรอเนี่ยอยากรู้อยากรู้บอกรู้แล้วจะหนาวนะแล้วแล้ ว, ลวยิ่งรู้เหตุแห่งไปนรกด้วยนะน่ากลัวมาก แค่ไปฆ่าสัตว์ไปลังแกสัตว์หรือว่าไปโกรธไปอะไรเนี่ยก็นรกแล้วนะที่บอกว่าผู้เจ้าบอกอย่าประมาทวัตตะสงสารเนี่ยมันน่ากลัวมากคนที่มีทิฏฐิมาหน้าอะไรเฉยๆเนี่ยมีแล้วแล้วไม่ใช่เราอยากให้มันมันมีแล้วเนี่ยต้องรีบแก้ไขซะนะก็จะให้พวกกูจะไป สู้ลบตบมือ <Mikey> ก so so cool. ับเขาทําไมนะเออเขาแสดงความรู sa ้ว่าเขาด่ามาอะไรเขาทําอะไรก็เป็นอย่างนั้นไงยห็นไหมพวกเราไม่ต้องกังวลเออศูนย์นี้ถ้าสูงสุดนะเขาคงไม่จับพ่อครูไปติดคุกติดตารางอะนะไม่ได้ไปโกงใครไม่ได้ไปหลอกลวงใครนะอย่างมากถ้ามันอ้างว่าเฮ้ยอะไรบอกปิดศูนย์โอ้พ่อครูสบายเลยตอนนั้นแคไปกลัวอะไรเราไม่ได้ค้าขายเนาะ แล้วไม่มีกําไรไม่มีขาดทุนไปกังวลอะไรกลัวพ่อครูสบายไหมกลัวพ่อครูสบายเกินไปใช่ไหมอย่าให้พ่อครูไปสร้างกรรมกับเขาใช่ไหมใช่ไมไม่ต้องกังวลอะไรอะไรจะเกิดมันก็เกิดเนาะสำคัญว่าเรามุ่งมั่นไหมถ้าคนยังมีเจตนาอยู่เมื่อเราเจตนาบริสุทธิ์แล้วเนี่ยอะไรจะเกิดก็มันเกิดนะเรื่องนี้เนี่ย ที่บอกว่าวัฏฏสงสารมันน่ากลัวมากนะมันนิดเดียวเองมันเหมือนเหรียญสองด้านน่ะหมุนๆๆระหว่างมันจะพลิกด้านซ้ายด้านขวาอ่ า, าด้านซ้ายนี่นรกด้านขวาสวรรค์นะมันเป็นไปได้ทุกเวลาเลยนะเผลอารมณ์หน่อยหนึ่งระหว่างอู้มีความสุขปุ๊บเนี่ยพอเขาชนหน่อยหนึ่งโกรธขึ้นมานี่ไปนรกอีกแล้วกําลังอยู่สวรรค์ดีๆนี่ไปนรกอีกแล้วเห็นไหม เรื่องพวกนี้ทําเล่นไม่ได้ก็มีไม่ใช่คํากล่าวขานนะมันก็เป็นมีประวัติศาสตร์ที่ประเทศจีนนะตอนพระอาจารย์โพธิธรรมเดินทางไปประเทศจีนนะท่านก็เป็นองค์ชายสา ม, มือนกันนะเป็นองค์ชายที่อินเดียเมืองหนึ่งแล้วก็ท่านบวชเป็นพระนี่บวชกับภิกษุณีนะ อาจารย์ท่านก็ดำดิให้เดินทางมาแถวนี้ก็ไปอยู่เมืองจีนก็ไปนั่งอยู่ในถ้มนั่งหลับตาอยู่ในถ้ำนั่นแหละเก้าปีไม่กินไม่นอนอะไรพวกนี้ทีนี้มีขุนศึกคนหนึ่งลบเก่งมากชนะทุกครั้งแต่รู้สึกทุกข์มากพอหลับตานอนนี่เคยเห็นตัวเองฆ่าคน ไม่เคยสงบเลยก็ไปบวชบวชแล้วฝึกยังไงฝึกยังไงก็ล้างไอ้ภาพนี้ไม่ออกก็ได้ยินข่าวของอาจารย์พธิธรรมคนจีนนับถือมากเรียกว่าอาจารย์ตากมอก็ไปนั่งเฝ้าอยู่หน้ารรมกี่วันกี่วันนั่งจนหิมะตกก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละนะเพราะตัวเองทุกข์มากแก้ไขปัญหาไม่ได้ทีนี้พระ อ, อาจารย์พธิธรรมท่านก็มีญาณรู้ ท่านก็เมตตานะท่านก็ออกจากกรรมฐานขึ้นมายังไม่พูดอะไรท่านบอกว่าติดตรงไหนตัดตรงนั้นทิง้งซะขุนศึกที่เป็นพระรูปนั้นน่จับมีดมาฟันแขนตัวเองขาดเลยแล้วก็บรรลุธรรมแล้วก็เป็นองค์บริหารวัดเส้าหลินต่อมาเพราะว่า อาจารย์ตักมอสอบแต่และคนรุ่นพี่ตอบ ม, มีคำถามหมดไปถามถึงองค์นี้นั่งเงียบเฉยๆองค์นี้ก็ได้ขึ้นบริหารวัดเศ้าหลินจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำให้ดูว่าถ้าตัดแขนเฉยๆนันรลุทรรมไม่รีบตัดเลยนะอย่าว่าจะตัดแขนเลยตัดคอตัวเองมันก็ไม่บรรลุนะเขาแสดงให้เห็นว่ามันติดตรงไหนก็ตัดตรงนั้นตัดในจิตเรา ใช่หัหยไอ้แขนนี่เรื่องเล็กใช่ั้ยบางคนถามพ่ะกูปฏิบัติธรรมจะพ้นทุกข์จะลงทุนแค่ไหนมาถามเอาเงินซื้อเอาอากีกแล้วบอกกี่แสนล้านก็ไม่ได้คุณต้องถวายชีวิตไม่ใช่ชีวิตเดียวด้วยเราไม่รู้ถวายมากี่ชีวิตแล้วตอนพุทธกาลเนี่ยก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งน่ขยันมากมุ่งมั่นมั่เพลนเพีย น, ยนไม่หลับไม่นอน ก็ไม่บรรลุธรรมวันนั้นก็มีนิมิตเห็นว่าเคยเป็นหนี่เสือตัวหนึ่งสมัยก่อนเคยฆ่าเขามันเกิดมาเป็นเสือไปนอนให้เสือมันกินแลกกับการบรรลุธรรมแล้วก็บรรลุจริงๆนั่นแหละลงทุนแค่นั้นแหละอย่าค้ากำไรเกินควรเนี่ยถามว่าจะลงทุนแค่ไหนกี่ล้านล้า น, านกี่แสนล้านก็ไม่ได้ ยิ่งมีเยอะอะไรยิ่งบรรลุไม่บรรลุธรรมน่ยมัวแต่นั่งเฝ้านั่งแบกอยู่ตรงนั้นแหละอย่าประมาทนะ่ะเราก็ปฏิบัติปฏิบัติหนึ่งที่มันที่มันยังไปไม่ได้นะ่ะเราก็สร้างบา ร, รมีระดับหนึ่งทานศีลภาวนาก็ทําอยู่แต่ไม่ยอมตัดบ่วงเห็นไหมลุกปวงเปเปลเปลวเปลมันก็ลอยลอยลยแล้วมันติดบ่วง สวัสดีขันห้าก็ติดห้าเส้นไงบางทีไม่ใช่ไปเ ป, เป่าลุกโป่งนะตัดบ่วงเฉยๆมันก็ลอยแล้วนั่นแหละที่ขุนศึกคนนั้นตัดแขนตัวเองคือตัดบ่วงไม่ต้องไปสร้างบารมีเลยเห็นไหมแต่ถ้าจิตไม่มีบารมีมันก็ไม่กล้าตัดไงไอ้นี่ของฉันนี่ก็ของฉันตัวกูของกูนั่นแหละเราไม่ตัดบ่วงตรงนั้นทานก็ทำไปทานนี่ที่เราทาทานไปเลย ก็ตัดบ่วงความโลภไงตัดบ่วงความตณีไงคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้ไงมันก็ตัดไปไงนั่นแหละคือตัดบ่วงนะไม่ใช่ทําบุญตามบุญเพื่อจะเป็นโน่นเพื่อจะมีลาบยศสรรเสริญเพื่อจะมีอนาค ด, ดีขึ้นเพื่อจะได้เกิดชาติหน้าสวยๆงามๆรวยขัวเก่าถ้าไปเข้าใจอย่างนั้นน่ะไม่ใช่อีกกี่ปีนะอีกหลายชาติ บ่วงนี้เนี่ยไปเผาก็ไม่ได้นะเออเมื่อเมื่อหัวคํำนี้พระกูเห็นข่าวนะเมืองไทยตอนนี้เฉลียวันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยคนฆ่าตัวตายสิบสองคนเอาเป็นว่าสองชั่วโมงตายคนหนึ่งและผู้ชายฆ่าตัวตายมากกว่าผู้หญิงนั่นละมันมีศักดิ์ศรีอัตตาตัวตนเหมือนแข็งแรง แต่อ่อนแอมากทนไม่ได้กับถูกเขาดูถูกเหยียดหยามและวัยฆ่าตัวตายอยู่ระหว่าง20กว่าจนถึง3 30กว่าเนี่ยวัยนี้กาลังเป็นวัยที่กำลังต่อสู้กับฆ่าตัวตายเยอะเขาคงเข้าใจว่าฆ่าตัวตายแล้วก็จบไงกูอยู่ไปกูก็ทุกข์เลย เขาไม่รู้ว่าฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นแค่วันเริ่มต้นเขาคิดว่าตายจบแล้วเนี่ยพีพวกนี้มันไม่เชื่อพุทธเจ้าไงเขาไม่เชื่อเรื่องเวียนไหว้ตายเกิดบาปบคไอ้การฆ่าตัวตายเนี่มันเป็นบาปอย่างยิ่งไอ้โปรแกรมนั้นะมันจะส่งผลทันทีเลยเนี่ยคือแก้ปัญหาโดยว่านี้ปัญหาคือฆ่าตัวตาย แล้วก็มีอีกหลายเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ตัวเองตายนะจะตายก็ตายไปคนเดียวเนี่ยฆ่าลูกเมียก่อนค่อยตายไงคนทุกวันนี้เนี่ยปากแข็งเฉยแต่จิตใจอ่อนแอมากเขาแยบนิดนึงก็ทนไม่ได้ล้วสั่นไปทั้งตัวจำไว้นะเขาบวนน้ำลายขึ้นฟ้านั่น เขาทำให้ฟ้าต่ำไม่ได้หรอกเดี๋ยน้ําลายก็ลดลงหน้าเขาเหมือนเก่าถ้าเรามั่นคงเราจะไปกลัวอะไรเออจะทำตัวเป็นเมฆหมอกใช่ไหมโอ้เดี๋ยวตัวนั้นก็ดีเดี๋ยวตัวนี้ก็ดีลมพัดลมเพลงเงี้ยเมฆหมอกลอยไปลอยมาก็เรื่องของเขา ฟ้าย่อมเป็นฟ้านี่คือความตั้งมั่นศรัทธาถ้าไม่ตั้งมั่นศรัทธาแล้วเนี่ยฝึกวิธีไหนก็ไม่สำเร็จมันไม่เกี่ยวกับวิธีวิธีเนี่ยเป็นส่วนประกอบวิธีดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าคนทำไม่ดีคนทำดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าเป้าหมายในการทำไม่ชัดเจนถ้าไม่มีนิพพาน เ, นเป็นเป้าแล้วเนี่ยระหว่างทางโดนมารหลอกหมดจำไว้ พเพราะครูก็พูดคำนี้ถูกต่อว่าอีกนะได้ยินแต่ผู้ครูพูดถึงเรื่องนิพพานนิพพานไม่เทเรยทยานมากเหลอนักวิชาการมาบอกพรอครู Group Group นะพูดแรงมากบอกคุณรู้หรือเปล่า <S <S นิพพานมันคืออะไรนิพพานมันไม่มีอะไรมันไม่เหลืออะไรเลยมันจะเทรยทยานได้ยังไงเรามักน้อยสันโดษต่างหากเรากำลังสแสวงหาสิ่งที่ไม่เหลืออะไรเลยน่มันจะไปเทเรย์ทยานได้ยังไง เขาไปเข้าใจว่าอุ้ยสวรรค์ก็สูงสูงแล้วจะไปก็ยากแล้วยังจะไปนี่พานี่มันไกลไกลโน่อนอันนั้นยิ่งเข้าใจผิดอีกมันไม่ได้ไกลตัวไม่ได้ใกล้ตัวมันอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วนี่แหละคือผู้รู้ไงรู้จากจินตนาการพวกนี้ต้องส่งไปภูเขาเบสุเมนต์ไม่ต้องส่งหรอกเดี๋ยวเขาไปเองเนาะพรากครูไม่ต้องทําอะไรนะ มีแต่ว่าถ้ามีใจอยู่ถ้าพ่ะคูยังมีใจอยู่ก็พูดทางภาษาคนมีใจว่าห่วงแต่พวกเราเท่านั้นเองแหละเขาแย่หน่อยหนึ่งก็หลุดนะปฏิบัติแล้วต้องนำไปประพฤติแผ่เมตตาทุกคืนเราต้องมีเมตตาไม่ใช่แผ่เฉยๆออกไปไม่มีเมตตาเลยเนี่ยเขาแย่หน่อยก็ไปด่าเขาคืนแล้วไปแผ่ทำไมล่ะเสียเวลา เสียพลังงานเสียลมปากการแผ่เมตตาเนี่ยเป็นอุบายวิธีที่เตือนให้เรามีเมตตาการฝึกสติพวกเตือนให้ให้เราใช้สติฝึกสติฝึกสมาธิไปไหนไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมสิบห้าวันพอไปถึงเขาก็ปิดวาจาไม่พูดจาไม่อะไรทั้งนั้น สบายสบายไม่ได้ยินเสียงใครพูดเลยพอกลับบ้านเห็นบ้านมันเปื้อนก็ด่าลูกอีกไม่รู้จังทําความสะอาดแฟนมาก็ด่าแฟนอีกกม่รู้ปฏิบัติไปทำไมต้องพูดแก้แค้นเนี่ยไม่ได้พูดมา15บวั น, นกลับไปต้องพูดมากกว่าเก่าอย่างนี้ปฏิบัติแล้วไม่มีประโยชน์ปฏิบัติแล้วต้องนำไปประพฤติแพเมตตาแล้วต้องมีเมตตาได้จริง อันนี้มีนจะติดรูปแบบแล้วก็เอารูปแบบตัวเองไปมองคนอื่นถ้าไม่ทำรูปแบบนี้ก็ผิดคนทำแตกต่างเราก็เป็นคนชั่วตกนรกทุกวันนี้มันแรงแค่ไหนแรงแค่นี้ละนะจำไว้นะเมฆบอกมันก็ลอยไปลอยมาเนี่ยลอยไปลอยมามันไม่เที่ยงแท้เนี่นอนลมพัดลมเพถ้าพวกเราเนี่ยรู้จัก ตัวอักษรจีนนะเขาเอาเข้าๆก็ได้นะอธิบายให้ฟังคำว่าคนของเขาคนเนี่ยคนของเราสมัยก่อนคอคนนอหนูตอนนี้เป็นคอควายนอหนูผสมพันธุ์ระหว่างควายกับหนูนะนเนาะคนน่ยยิ่งคนยิ่งวุ่นวายนะแต่คำว่าคนของจีนเนี่ยภาษาจีนกลางดีกว่าเพราะครูพูดจีนกลางจีนแต้จิ๋วกวงตุ้งเป็นบ้งนะ้งเนาะคำว่าเหยื เยินเนี่ยมันขีดสองขีดอย่างนี้เหมือนอะไรเหมือนหนวดเนี่ยเหมือนหนวดขีดอย่างนี้นะเหมือนคนมีสองขานะเดินไปก็ปึกป๊กปตะเปะตะบะยิ่งยิ่งผู้หญิงจีนสมัยโบราณนะนะเขาจะผูกขาไว้ผูกตั้งแต่เด็กๆเลยนะพอโตขึ้นแล้วเนี่ยถ้าขาใครไม่เกินสามนิ้วเนี่ยไม่เกินสามนิ้วนะ เนี่ยมันมีหนิ้วใช่ไหมพอมันผูกมัดปุ๊บเนี่ข้างบนมีเหลือแค่สนิ้วสองนิ้วมันไปซ่อนอยู่ข้างล่างความยาวของมันยาวไม่เกินสองบุหรีนะ่แต่ความกว้างไม่เกินสนิ้วนะ่ะเขาเรียกว่าดอกบัวทองคําแล้วก็เดินกระโกกระเพกเดินกระโผกกระเพกวิ่งเร็วก็ไม่ได้นั่นแหละผู้ชายเขาจะจ้องนั่นแหละเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดอ่อนช้อยไงนะถ้าใครเกิน สามนิ้วครึ่งเขาเรียกว่าดอกบัวเงินถ้าใครสี่นิ้วขึ้นไปนี่ดอกบัวเหล็กไม่มีใครเอาวัฒนธรรมมันเป็นร้อยปีเลยเห็นไหมสมัยก่อนเขาบอกว่าดีไงดีทุกวันนี้เราเอาไหมเดี๋ยวผูกขากันไหผูกผูกให้หมันให้มันเล็กๆนะจะได้เดินตุ๊ป่องตุ๊บป่อง เห็นไหมสมัยเขามองว่าก <eyes> <hall> so so ับว่าเป็นกุลสตรตีนะไม่กระโชงชางไงไม่เหมือนลิงไงแต่หลังจากเหมาเจือตรงนี่ปฏิวัติขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกเลิกเพราะว่ามันทำงานไม่คล่องเขาจะจับมาเป็นกรรมกรตอนนี้ขาเราใหญ่เป็นยังไงมาแบกรับมาทำให้ตัวเองทุกข์ไงมาเป็นกรรมกรขายแรงงานขายสมองขายขายหมด เห็นไเขาเดินช้าๆได้พาเรี่มงามเขาไม่ได้ทุกอะไรแต่ตอนนี้เราขาใหญ่ๆขนาดเดินไม่พอวิ่งก็ยังไม่พอเลยช่วยเขาไม่ได้ต้องวิ่งเร็วกว่าเขาอีกเราหาเรื่องทุกข์ไหมเห็นไหมดีสมัยก่อนกับดีสมัยนี้ไม่เหมือนกันแล้วอะไรมันดีจริงๆรอะไรละมันดีจริงๆ สิ่งที่ดีจริงๆนะคือไม่ต้องปรุงแต่งทุกอย่างเป็นไปนตามธรรมชาติตอนนี้เราปล่อยขาเราธรรมชาติมันก็ดีแล้วแต่เรายังทาเล็บอยู่เนาะเห็นไหมยังต้องหาแบรนด์เนมรองเท้ามาใส่ใช่ไหมทีนี้ก่อนจะได้มันมาเห็นไหมก็ต้องใช้แรงงานตัวเองเนี่ยไปทํางานแบกหามาแล้วก็ไปซื้อมันใช่ไหมแล้วก็ไปทุกข์กับมันใช่ไหนีดีๆไหมล่ะ เห็นไมล่ะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาปรุงแต่งคนจีนโบราณเขาก็ปรุงแต่งว่าเฮ้ยต้องผูกเล็กๆเขาจะได้อ่อนช้อยเห็นไหมเขาจะได้ไม่กระตุกกระตากเหมือนลิงไม่น่าดูเลยเห็นไหมเพราะสมัยก่อนนี่ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าจริงๆผู้หญิงไม่ต้องทํามาหากินเป็นแค่แม่บ้านว่านอนสอนง่ายนั่นแหละความรู้สึกเขาเนี่ยเขาชอบแบบเขาบอกว่าดีสวยงามมาก แต่ตอนนี้เราไม่ได้ไปบีบขาเราแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติแต่เราก็ปรุงแต่งมันทําเล็บบ้างใส่รองเท้าแบรนด์เนมบ้างถ้ารองเท้ายี่ห้อมันไม่ดีใส่ไม่ลงเพราะมันเดินไม่ออกมาดูเด็กที่นี่นะใส่รองเท้าหนังแท้เลยไม่มีวันศึกยิ่งใส่ก็ยิ่งหนาขึ้นนี่อย่างนี้ไงไม่ต้องเสียเงินไง เดีวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมอก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะติดเชื้อ <c oughs> และที่ใส่ใส่รองเท้าไม่ติดเพราะกูใส่มาตลอดชีวิตเนี่ยก็เลยกลายเป็นห้องโกงฟู้ดนะตอนนั้นไงก็ใส่รองเท้าไงแต่ที่นี้พวกนี้ไม่ใส่รองเท้าไม่ติดเลยเพราะอะไรหนังมันหนาไงมันก็สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาไงไอเชื้อมันไม่กล้าเข้าใกล้หรอกถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ย ความพึงพอใจก็ไม่เหมือนกันถึงบอกว่าเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับความเคยชินตัวเองแล้วไปกล่าวโทษคนอื่นมันเป็นกรรมโอเคนะหยุดดีกว oh no, ่าไม่งั้นมันจะไม่ยอมหยุดเนาะจะได้ปฏิบัติกันก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืนบรรลุมรคผลนิพพานโดยไวยเทิน